คือความจริงแล้วเวทนาในในขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาตัวนั้นเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างรูปไปหานามเท่านั้นนะเวทนาเชื่อมต่อรูปไปหานามถ้าหากว่ามีรูปเพียงอย่างเดียวเนี่ยแต่รูปในในขันห้ากับรูปโดยทั่วไปเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเป็นรูปหรือเป็น ไอ้สิ่งที่ออกมาถืออยู่นี่เป็นรูปในขันห้าหรือรูปในธาตุสี่ตัวนี้รูปมันมสองรูปคือรูปในธาตุสี่หรือรูปในขันห้าไม่เนี่ยเป็นรูปในธาตุสี่หรือรูปในขันห้าตัวเราเนี่ยตัวท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้เป็นรูปในธาตุสี่หรือรูปในขันห้าเออชักชักไม่แน่ใจนะ ถ้ารูปในธาตุทั้งสี่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งสองอย่างคือเป็นรูปที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณก็ได้แต่รูปในขันห้าเนี่ยต้องเป็นรูปที่มีวิญญาณด้วยทั้งที่เป็นตัวรูปหยาบและเป็นตัวรูปละเอียดรูปหยาบเราเรียกว่าถ้ารูปในขันห้าถ้าเป็นเป็นรูปหยาบเรียกว่ารูปประธาต์ถ้าเป็นรูปละเอียดเรียกว่ารูปประขัน เรียกว่ารูปประขันหรืออุปทายารูปอันนี้ภาษาของเขานะทีนี้ต่อมาตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวสะพานเชื่อมระหว่างรูปไปสู่นามเชื่อมระหว่างรูปไปสู่สติสมาธิปัญญาความรู้สึกทางที่เป็นสติสมาธิปัญญาทางรูปอันนี้เขาว่ารูปประขันนะและรูปประขันนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่าง รูปขันเวทนาขันสัญญาขันวิญญาณขันสังขารขันแบ่งเป็นสองอย่างคือรูปที่เป็นนามรูปและรูปที่เป็นรูปนามรูปที่เป็นนามคือเป็นรูปนามก็คือเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยกายกับใจรูปกับนามกายกับใจแต่รูปที่เป็นนามวารูปเช่นเวลาเราฉายสไลด์ฉายคอมพิวเตอร์มันก็มีภาพเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นรูปอีกอันหนึ่งนะ ตัวความคิดก่อนที่เราจะคิดอะไรเป็นเรื่องเวลามันจะต้องตั้งขึ้นมาเป็นภาพซสก่อนเช่นเราจะนึกถึงพ่อภาพพ่อตรงมาก่อนใช่ไหมภาพพ่อตึองอพพอต้งขึ้นมาเหมือนภาพโปรเจคเตอร์ยังไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นภาพเป็นภาพทื่อภาพกระด้างอยู่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นรูปประคันแต่พอมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปปรับรูปนี้กเกิดการเคลื่อนไหวเป็นมูฟเมนต์เป็นแอคชั่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น สังขารขันวิญญาณขันละในช่วงที่เป็นภาพเฉยๆนี้ยังเป็นรูปประขันอยู่รูปปรขันในลักษณะของอที่เป็นขันห้าเนี่ยมันก็ลักษณะที่เป็นภาพทื่อๆแต่ถ้ามีการกระทําเกิดขึ้นตัวสังขารวิ ญ, ญญาณเข้าไปที่เป็นสังขารวิ ญ, ญญาณที่เป็นรูปปรขันเนี่ยยังไม่เป็นปฏิจจสุบาตต่อเมื่อ มีการรู้หรือไม่รู้เกิดขึ้นบางคนคิดแล้วไม่รู้ด้วยอำนาจของปฏิบัติคืออวิชชาเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่วันขั้นนนี้เราจะคิดอะไรเรารู้รู้ทันตอนไหนก็ตามรู้ทันตอนเป็นตั้งต้นเป็นรูปแล้วเริ่มต้นคิดหรือคิดไปหลายเรื่องแล้วก็ตามแล้วเข้าไปรู้ขบวนการตรงไหนตรงนั้นก็เป็นขบวนการทั้งสิบสองเพราะนั้นตัว รูปที่เป็นนามรูปคือรูปที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในจิตแต่รูปที่เป็นรูปขันคือปรากฏขึ้นในนามระรูปกายกับใจแต่รูปเป็นรูปประธาตก็คือมีทั้งที่เป็นรูปขันและรูปประธาตคือเป็นดินน้ำลมไฟที่เป็นวัตถุทั่วไปกับดินน้ำลมไฟที่อยู่ในกายเราสับสนไหมไม่นะไม่สับสนนะสับสนต้องบอกถ้าหากว่าเรามีการเจริญสติอยู่เป็นประจำ รู้สึกตัวอยูไปไป่เป็นประจำเราก็าต้องรู้เท่าทันรูปทางภายนอกก่อนพอสติตัวนี้เปลี่ยนเป็นสมาธิและปัญญาในทางที่ถูกปับ๊บมันก็จะไปรู้เท่าทันรูปภายในคือรูปที่ปรากฏในจิตเราจะกินอาหารเช่อย่างหนึ่งมันก็ต้องอะไรอิมเมจขึ้นมาก่อนใช่ไหมจินตนาการขึ้นมาก่อนเออร้านไหนอร่อยไม่อร่อยเราเริ่มคิดไว้แล้วใช่ไหม อ, อ, อาหารชนิดนี้ ตอนแรกมาคิดถึงอาหารเพราะอาหารปรากฏปั๊บมันก็เริ่มปรุงว่าอาหารแบบนี้อร่อยหรือไม่อร่อยไปซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่รสเป็นอย่างไรก็สร้างสังขารขึ้นมาแล้วแล้วก็เกิดเวทนาใช่ไหมชอบหรือไม่ชอบอ่าเวทนาถ้าหากว่ า, าวิชาเข้าไปเวทนาที่ตามมาก็เกิดเป็นตัณหาอยากมากอยากน้อยซือมากเือตัณหาแล้วก็ความพอใจไม่พอใจนีก็ก่อให้เกิดความ อันหาความพอใจเกิดตัตนหาไปเรื่อยๆและความไม่พอใจก็เกิดวิภวาัาตัตหาซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเวทนาในปฏิสุบทนั้นอาศัยตั้งแต่ต้นคืออวิชชาจนมาถึงผัสสะพืดเดียวเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นการหมุนรอบทั้ง1ิสองเนี่ยมันไม่ได้หมุนทนีแต่ว่ามันมีความเร็วสูงมากเรียก high frequency ไฟที่เราเห็นมันสะเทืนเนี่ยความจริงแล้วก็คือการหมุนรอบของ รอบวงจรของมอนิเตอร์ถึง 3,000 หรือ 4,000 รอบต่อวิใช่ไหมมันถึงเห็นไ อ, ไอแสงสว่างสะเห็นอย่างนี้แต่เมื่อใดไอรอบนี้มันหมุนช้าลงถอยหลังลงจาก 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 มาเป็นร้อยไฟเริ่มไปไงกระพริบแล้วใช่ไหมรอบมันไม่พอเริ่มกระพริบแล้วพอรอบมันจัดๆๆๆขึ้นไฟก็เริ่มนิ่งๆๆๆงสว่างขึ้นพอรอบมันเบาลงก็เริ่มเฟดเฟดจนมืดใช่ไหม สติเราก็เหมือนกันพอสติมันมีกำลังภาพของความคิดเห็นความคิดก็ชัดขึ้นพอสติมันอ่อนกำลังปับ๊บภาพความคิดเริ่มไม่ชัดใช่ไหมเริ่มต่อเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะเพราะนั้นตัวกำลังของสติความรู้สึกตัวเนี่ยที่เราทําเยอะๆมากๆเพื่ อ, อพัฒนารอบเขรามันให้สูงขึ้นเรื่อยๆถ้ารอบยิ่งสูงเท่าไหร่สติพัฒนาเป็นสัมมัญญะ สมมุติว่าเอาลถ้าเป็นระดับสติมันพันรอบต่อวินะถ้าเป็นสมมาญาจะต้องสองพันรอบต่อวิถ้าเป็นสมญญาธิาต้องสามพันรอบต่อวิถท 3, วถ้าเป็นปัญญาต้องสี่พันรอบต่อวิสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่สมมุตินะเด็กคนจริงมันสูงกว่านั้นมากเช่นเรานั่งอยู่นี่คิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อเมริกามาัแวบไปเลยเนี่ยมันรอบมันเท่าไหร่เออเป็นอินฟินิตี้เลยลนับไม่ได้นะ นับไม่ได้รอบมันจัดมากนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามตรงนี้เลยเกินนะพยายามว่าจิตหมุนรอบที่ให้เกิดเรื่องราวเนี่ยมันเท่าไหร่โอ้โหไม่รู้กี่ศูนย์ในจุดหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยมันนับไม่ได้เป็นอินฟินิตี้ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะมามีรอบจัดเท่ากับจิตของเราอย่างภาพยนตร์ภาพโทรทัศน์เนี่ยเราก็รู้ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ยี่สิบสีรอบหรยิบสี่เฟรมต่อหนึ่งรอบใช่ไหมถ้าเป็น หนังใหญ่ก็เป็นส5มสิบห้ารสมิห้าเฟรมแต่พอมาเป็นภาพสัลโมชันเป็นไงเห็นเป็นเฟรมเป็นเฟรมเลยใช่ไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเจริญสติทำไมถึงใช้เยอะมากก็เพราะว่าต้องการพัฒนาความตําลังของสติเนี่ยให้มันสูงพอๆ ก, กับกำลังของความคิดความคิดมันไวมันเร็วเท่าไหร่ก็ต้องพัฒนารอบของความรู้สึกตัวให้ไวและเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นคาว่าสติตรงนี้จึงแปลว่าแห่น แปลว่าวิ่งสติเนะี่ยมาจากคําว่ามาก่าวหลายครั้งสติตัวนี้มาจากคําว่าสระาธาตุสระไปว่าอะไรแปลว่าแร่นไปลว่าวิ่งเช่นลูกศรสค อ, อ, อสลาลอเรือลูกศรมันต้องวิ่งออกจากแหล่งของมันวิ่งต้องให้ไวที่สุดถ้าลูกศรมันชา้าไปนไงมันก็ไม่ทันเป้าที่จะยิงใช่ไหมเช่นไปยิงนกยิงหนูยิงปูยิงปลาถ้าหากว่ามันชา้าก็ไม่ทนันจิตของเราเหมือนกัน ต้องมีสติเนี่ยสติต้องวิ่งไวกว่าจิตมันถึงจะเอาจิตอยู่ถ้าสติช้ากว่าจิตทันไหมคุณจะยิงนกคุณมัวเร่งไฟเร่งมานกมันรู้ตัวมันก็บินหนีแล้วไม่ทันนะช้าเกินไปจับม้ า, ากระโประเลยเนี่ยนกไม่ทันบินหนีนั้นสติยิ่งไวยิ่งดีแต่ว่าไวอย่างเป็นทิศเป็นทางถ้าไวอย่างมีทิศทางตั้งหลักดีเขาเรียกว่าเป็นสัมมาสติแต่ไวอย่างไม่มีทิศทางไวอย่างประเภทที่สเปสปะเป็น มิจฉาสติหรือสติที่เป็นฉันชาตยานเข้าใจไหมโอเคจบนะอ้าวปัญหาต่อไปควาจริงตอบปัญหาเดียวก็น่าจะคนโทรได้ทุกปัญหาแล้วนะโอทุกคนตอนมันอันนั้นมันตัวทฤษฎีน่ะทฤษฎีนี่มีหลวงพ่อื <c oughs> ิสิตหลวงพ่อชาคนหนึ่งไปถามเออหลวงพ่อเขาอยากทราบเข้าฌานจากฌานที่หนึ่งไปที่สอง จากชั้นที่สองไปสึงที่สามเนี่ยเข้าไปขั้นเป็นยังไงจากที่สามไปถึงชั้นที่สี่ถ้าลงจากชั้นที่สี่ไปถึงชั้นที่หนึ่งเนี่ยทํำยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อชา้นี้ก็ตอบแบบเซนนะท่านก็เย็บหินหยิบหินมาก้อนหนึ่งแล้วโยนพุ่งขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาคุณนับได้ไหมว่าหินที่มันจากข้างบนตกมามันมีกี่ชั้นเท่ากันนะอันนั้นคือข้อเท็จจริงใช่ไหมมันก็ขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงแต่การสมมุติว่าขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นน้นเนี่ยเป็นไปการสมมุติตาบััญญติ แต่ข้อแท้จริงเนี่ยหินจากโยนขึ้นไปหนึ่งเมตรตกลงมาเนี่ยคุณจะกำหนดให้เป็นร้อยชั้นก็ได้ใช่ไหมสติที่กำหนดกายเวทนาจิตทำแบ่งเป็น4ชั้นเนี่ยแต่ควาจริงไปทำจริงๆเนี่ยมันโหมันละเอียดกว่านั้นใช่ไหมอาจจะเป็นเลยร้อยชั้นเพราะฉะนั้นตัวที่บัญญัติมันมันหยาบเหมือนแผนที่ในกระดาษอะแต่ว่าคุณไปเดินทางคุณไปเดินแผนที่เดินในแผนที่ไม่ได้นะคุณเดินไปถึงสิทธเทียแผนที่นั้นจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามการเดินตัวบัญญัติ ที่บัญญัติไว้นะ่ะมันเหมือนกับตัวหนังสือในกระดาษแต่การที่เราลงมือเดินทางตามที่เขาชี้ไว้ในกระดาษบางทีโอ้ใช้เวลาแล้วก็มันมิติต่างกันใช่ไหมนั้นความรู้สึกที่ตามรู้ในกายเป็นเวทนาได้อย่างไรที่มาอธิบายไปหลายรอบแล้วความรู้สึกที่เป็นเวทนาก่อให้เกิดไปสู่จิตได้ไงนี่วันนี้เราพูดกันไปแล้วนะความรู้สึกทางจิตที่ก่อให้เป็นอารมณ์ได้อย่งไรเมื่อกี้เอธิบายเรื่องปฏิสุบันแล้วนะเพราะฉะนั้นตนัวนี้อธิบายไปเรียบร้อยแล้ว แต่คุณจะอาจจะสัมพันธ์ไม่ถึงแต่ในที่นี้อันนี้คือตัวบัญญัติแต่ในที่ตัวสภาวะเนี่ยมันเป็นปรมัตาซึ่งเป็นประจิตตังตัวนี้อธิบายไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้ใครรู้มันประจิตตังเวทิตะโพนสมมุติว่าคุณนั่งวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยระหว่างคุณนั่งหนึ่งชั่วโมงกับคนนี้นั่งมหนึงหน่งชั่วโมงเนี่ยน้ำหนักความปวดความเมื่อยความสบายกายเนี่ยเท่ากันไหมรู้ไหม สมม่ิหลวงพ่อนั่งตรงนี้คุณนั่งตรงนี้หลวงพ่อถามคุณว่าคุณรู้สึกยังไงที่หลวงพ่อนั่งนี Kum, ่คุณรู้สึกไหมไม่รู้แล้วมาถามหลวงพ่าหลวงพอรู้ไหมผมนั่งหรือผมรู้สึกไงหลวงพ่อจะตอบได้ไหมไม่ได้นี่เขาเรียกว่าปฏิจจตังรู้ใครรู้มันนะแต่ว่าเป้าหมายที่คุณถามเนี่ยตัวน่าจะถามว่าเวทนาในสติปัฏฐานเนี่ยต่างกับเวทนาในรูปนามนามรูปต่างเวทนาในปฏิสติอย่างไรตรงนั้นน่าถามนะ เมื่อกี้เราพูดถึงเวทนาตัวนี้ได้ไหมเวทนาในกรรมฐานคือเวทนารุปัสนิปสนาสติปฐานต่างจากเวทนานั้นอย่างไรอันนี้คือตัวสําคัญเวทนาในสติปฐานนั้นในฐานะเป็นตัวดับทุกข์คือเป็นนิโรธแต่เวทนาในขันห้าก็ดีเวทนาปฏิสุบะต์ก็ดีเวทนาในไตรรักก็ดีเนี่ยเป็นเวทนาที่เป็นสมุทัยที่จะก่อให้เกิดทุกข์ เพราะด้วยอํานาจของอวิชชาใช่ไหมแต่เวทนาในสติปัฏฐานสูตรด้วยเวทนานุปสัสสนาติปัฏฐา น, นเป็นเวทนาที่ประกอบด้วยตัวสติเป็นวิชเป็นวิชาเวทนาตัวนี้เป็นนิโรธคือดับทุกข์ถามว่าต่างกันก็ต่างกันคือเริ่มต้นด้วยมีสติวิขาดสติเวทนาตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ถ้าเวทนาที่มีสติเวทนานี้พัฒนาเป็นปัญญาใช่ไหม เวทนาไหนขายสติเวทนาพัฒนาเป็นตันหาทันไหมทันทันไม่ทันก็ต้องทันล่ะหลวงพ่อมีเวลาแค่นี้เ <c oughs> <c oughs> ออปัญหาต่อไปเออต่อไปไม่ไม่มีปัญหาแ <c oughs> สดงบรรลุกันหมดนะแล้วในงานนี้นะหาสงสัยนะบรรลุบรรลุข้อสงสัยกันไม่ใช่บรรลุทำนะบรรลุเอาไม่สงสัยละงานนี้นะ เพราะฉะนั้นนู่นอีกสาสเดือนนี้จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ถามกันให้เพราะสามเดือนนี้เอาไปทําดูนะว่าเป็นอย่างไรซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดขึ้นนะพิสูจน์ได้นะหลวงพ่อถามว่าคุณนั่งตรงนั้นกับคนนั่งตรงนี้หนึ่งชั่วโมงกับคุณหนึ่งชั่วโมงนะความรู้สึกเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะอะไรเพราะคนนี้อาจจะเปลี่ยนบ่อยๆแต่คนนั้นไม่เปลี่ยนเลยหรือเปลี่ยนน้อยครั้งมาก ความหนักหน่วงก็จะมากกว่าใช่ไหมความเวทนาที่จะหนักก็มากกว่าแต่คนนี้เปลี่ยนบ่อยเพราะมีการถ่ายเทเวทนาบ่อยก็จะเบากว่านะคนนี้อาจจัดการมีสติในการจัดการเวทนาได้ดีกว่าก็าจะเบากว่าสบายกว่าความเบาสบายทีก่ก่อให้เกิดเป็นเหตุก็ให้เกิดสติสมาธิปัญญาความหนักหน่วงทวงทับไม่สบายเป็นเหตุก็ให้เกิดอวิชชาตัญหาอุปาทานเพราะฉะนั้นในขณะปฏิบัติท่านจึงเน้นให้เกิดเวทนาเบาบาง ไม่เกิดสุขเวทนาเลยทุกเวทนาคําว่าเวทนาเบาบางนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะเป็นเวทนาแบบไหนเวทนาเบาบ า, บางคุณวัชรินเป็นเวทนาที่พอทนได้แต่แต่ไม่ถึงกับเหลือทนน ะ, ะถ้าเหลือทนนี่ไม่ไหวแล้วเพราะยงที่พอทนได้หมายความว่าพ อ, พอสบายๆอะ่ะแต่ไม่ถึงกับสุขเพราะสุขเวทนาจริงหมายความว่าเราไปทําให้มันเพลิน เพลินในสิ่งนั้นเป็นสุขเป็นสุขเวทนาแต่เวทนานี้ทําให้เราไม่ไม่สนุกไม่สนานไม่เพลิดเพลิ น, นก็เป็นทุกเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาในเวทนาในสติปัฏฐานเป็นเวทนาในส่วนที่เป็นนิโรธคือดับทุกนะแต่เวทนาในปฏิสัมเป็นเวทนาที่เป็นสมุทยัยคือส่วนให้เกิดทุกท่านนั่นเองนะและในส่วนนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้ ตัลวไม่มีนะไม่มีแกขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะในในสมัยที่ามาฟังหลวงพ่อเทียนในสมัยนะั้นมาติดอารมณ์นะอาจจะเคยเล่าแล้วก็ได้แต่หลายคนอาจจะลืมไปพอติดอารมณ์เลยติดรวิปัสนูเพรสนาพอเราจเจริญสติไประยะหนึ่งตัวนี้ต้องระวังนะกลับไปทำที่บ้านอย่างจริงจังปรากฏว่า ม, มันเกิดเบาสบายเห็นกายเห็นจิตเห็นรูปเห็นนามได้ชัด มันจะเกิดความสุขเป็นพิเศษแล้วทีนี้ความคิดออกมาจะเป็นความคิดดีๆทั้งนั้นเลยความคิดที่เป็นกุศลเป็นความคิดดีๆทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่แปลกที่ใหม่มากมันก็ยิ่งคิดยิ่งสนุกยิ่งคิดยิ่งยิ่งคิดยิ่งดีๆออกมาหมดเลยนะอันนี้ต้องระวังถ้าเราเข้าไปยึดความคิดแบบนี้แม้แต่เป็นความคิดดีความคิดดุเข้าไปยึดในฐานะเป็นตัวตน ดีใจภูมิใจพอใจในความคิดอ น, นั้นตรงนั้นวิปัสนูเริ่มจะเกิดแล้ววิปัสนูหมายว่าความคิดชนิดนี้เป็นอุปสรรคถึงจะเป็นความคิดดีก็ตามแต่ว่ามันเกินไปมันเกินแก่ก็เป็นอุปสรรคเรียกววิปัสณูเป็นอุปสรรคของวิปัสนาบางคนก็ออกได้ไวบางคนก็ออกได้ช้าถ้าหากว่าไม่อยากจะให้ความรู้สึก ความคิดที่ดีเหลยวนี้มันไหลออกมาอย่างไม่อยู่ไม่หย่อนจนกระทั่งเป็นปิดติดเป็นสมาธิเนี่ยให้กลับมาที่กายคือความรู้สึกตัวให้ให้ชัดเจนไว้เสมออย่าไปติดอยู่กับความรู้สึกสบายแบบนั้นแต่ทีนี้เราก็รู้สึกอีกเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่จนกว่าที่จะกะเรียนมิตรครูอาจารย์มาบอกเราตัวนี้มันเป็นวิปัาสานูนะมันเกินไปนะ ไปที่ไหนก็นั่งเทศที่นั่นเลยก็นั่งอยากเห็นใครก็อยากจะบอกธรรมะทั้งนั้นแหะว่าอันนี้ต้องระวังนะไอ้เมื่อก่อนไม่ใช่คนพูดนเดี๋ยวนี้ทําไมพูดธรรมะบ่อยเหลืเกินเนี่ยนะอันนี้ช่างเป็นวิบัตินูอ่อนๆแล้วนะเพราะว่าเราไปสําคัญมันหมายสิ่งนั้นว่าเป็นแต่ก็มันหมายความว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นแต่คํานึงถึงความพอเหมาะพอดีคํานึงถึงคนที่รับว่าเขารับได้ไหมเขาฟังเราไหมเขาฟังแล้วเขารู้สึกลาคาญเราหรือเปล่าหรืออะเนี่ยก็ต้องไปสํารวจตรงนั้น แต่ว่าเวลาเราเป็นวิปัสนาว์แรงๆนะมันไม่สนใจแค่จะฟังไม่ฟังฉันจะพูดสิคิดว่าจะให้เขาเขารับไม่ได้ไม่ไดฉันก็จะให้อะนะอันนี้ไม่ได้นะเขาเรียกวเป็นวิปัสนาแล้วนะมันแค่จะเป็นปีติเป็นตัวลอยเป็นนิมิตเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเห็นภาพอินภาพผมเห็นภาพพญานาคภาพพญาครุฑอะไรมันเห็นชัดหมดนี่เป็นวิปัสนาซึ่งจะต้องกลับมาเจริญสติ เก็บอารมณ์บ่อยๆจนกระทั่งจิตของเรากลับมาสู่ความรู้สึกตัวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกลับไปดูอานิจังทุกของหน้าตาใหม่นะอานิจังมันทํางานเทุกมันอย่างไรทุกขงกลับไปดูรายละเอียดของเวทนาเบื้องต้นใหม่ถ้ามันเป็นนะพอความรู้สึกปัจจุบันชัดขึ้นชัดขึ้นตัวเวตัววิปัสสุนมันก็จางไปจางไปเอามาติดอารมณ์นี้นะมานานพอไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเทศให้ฟัง ว่าการที่ไปสําคัญมั่นหมายความคิดและอารมณ์เป็นตัวโตนเนี่ยมันอันตรายถ้าเราเปรียบเสมือนหนึ่งว่าไอ้สมัยก่อนเนี่ยพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายมันก็จะเลือกเจ้านายของมันใช่ไหมเออกระต่ายก็เลือกหัวหน้ากระต่ายเสือก็เลือกหัวหน้าเสือช้างก็เลือกหัวหน้าช้างและในบรรดาหัวหน้าสัตว์ทั้งหลายก็ต้องมีขึ้นนายอีกคนหนึ่งเรียกว่าราชาของสัตว์เขาเลือกสัตว์อะไรเป็นราชาเป็นพญาพญาอะไร พระยากระต่ายนี่ไม่มีนะมีแต่พระยาเลยพระยาราชาสีใช่ไหมเลือกสิงโตมาเป็นพระยาของสัตว์ทั้งหลายพรยาราชาสีทีนี้สัตว์ทั้งหลายก็เลือกพระยาราชาสีเนี่ยพยาสีมันไม่กลัวใครนะเป็นสัตว์ที่กล้าหาญรว ด, ดเร็วมาก็เลือกพระยาราชาสีมาเป็นเป็นเจ้านายของมัน แต่พญาเสืออนุโมเลือกฉันเป็นเป็นพระราชาเป็นเจ้านายแล้วเนี่ยมีข้อแม้ว่าฉันจะไม่ต้องทํามหาหกินอะไรนะถึงเวลาพวกแกก็มาตาให้ฉันมาหาฉันให้กินวันตัวละตั ว, ตวพ่อพวกแกมีเยอะแยะเต็มป่าให้ฉันกินวันตัวเพวไม่หมดอะไรสัตว์ทั้งหลายยอมไหมยอมยอมเพราะจะเลือกเขาเป็นพระราชาแล้วนี่ทีนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันปกติมาก็เอามงถึงส1บเอโมงไม่เกินสิบเอโมงสั ต, ตว์โดยดัดลุ่ต้องมาให้เขากิน วันหนึ่งมันเป็นวาล่ของกระต่ายนะกระต่ายบังเอิญกระต่ายตัวนั้นมีท้องแล้วก็มันเกิดลูกช่วงเช้าวันนั้นอะกระต่ายไม่รู้อ่อนมันก็เลยมันจะทิ้งลูกไปให้พระยาราชเสือกินก็ใช่ที่แล้วมันก็รักลูกของมันในที่สุดก็ไปบอกให้เพื่อนเอาไปไปหาเวลาเสือแทนฉันหน่อยนี่ฉันเพิ่งเกิดลูกเนี่ยฉันไปก็เลี้ยงลูกให้ตัวอีกนี่ฉันจะไปแทนแกไปก่อนแล้วกันถ้าเป็นโยมโยมจะไปไหม นอกจากไม่ไปก็อาจจะเล่นงานในคนบ่าวอีกจ่างหาก น, นะกระต่ายตทีนี้ก็ตะเวนบอกเพื่อนบอกคงไม่มีใครไปในที่สุดก็ขึ้นไปหาหัวหน้ากระต่ายเป็นกระต่ายเท่าที่นี่หัวหน้าต้องรับผิดชอบใช่ไหมเมื่อลูกน้องเดือดร้อนแล้วเนี่ยก็รับผิดชอบอไปก็ไปนะทีนี้ขณะที่ไปเนี่ยมันผ่านภูเขาสองสันเขาอย่างนี้อันนี้เป็นผาหน้าหน้าผาเป็นเขาสูงแต่นี่เป็นเขาที่เตีย้ยลงมาที่ตะวัน มันออกตอนนี้แต่มันออกใช่ไหมที่มันเดินผ่านไปมันก็เงามันก็ปรากฏที่หน้าผาใหญ่กว่าตัวมันอีกไหมพอมันเห็นเงาพอมันปั๊บเนี่ยมันก็คลิกในใจเลยได้อุบายเลยว่าจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงเดินไปไปสู่ความตายอ่ะพอมันได้อุบายปั๊บนี่ก็ไปไปถึงที่พญาราชสีอยู่เต้นแลรงเต้นกาหัวฟัดหงวเหวียงว่าไปผิดเวลาแทนที่จะไปถึงสักสิบเอ็ดโมงใช่ไมอันนี้มันไปถึงเที่ยงนะฮะก็เลย โอ้ไม่ใช่ดิแทนที่จะไปถึงเก้าโมงมาไปถึงสิบเอดโมงเที่ยงนี้แต่วันมันผ่นไปแล้วใช่ไหมพอไปถึงก็เห็นพระยาราชสีก็ทําใจเย็นไม่ไ ม, ไม่ไม่ตกใจอ่ะทำไมมาช้าเหลือเกินนะวันนี้ฉันรอตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยโอ้จะไม่ช้าได้ไงฉันเจอสิงตัวอีกตัวหนึง่งเอ๋ราชสีอีกตัวใหญ่กว่าท่านอีกอยู่หน้าผาเขาดักทางฉันไว้ว่างนั้นไม่ให้ฉันมาเพราะฉะนั้นฉันก็ติดอยู่ตรงนั้นตั้งนานก็จะอ้อนวอนจะขอมาได้นะ ทีนี้คนที่เขาตั้งให้เป็นใหญ่ที่สุดก็รู้ว่าใครเป็นใหญ่ฝ่าเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหมันขึ้นเลยนะเออมันอยู่ที่ไหนพากูไปเดี๋ยวนี้ไอ้ลืมเลยลืมหิวแล้ว่ากันเนอะนี่เออขาเรียกอตัตราแรงขนาดนั้นนะเรื่องหิวเรื่องยาวไม่หายไปเลยเ อ, อ่ามันอยู่ที่ไหนพากูไปดูเดี๋ยวนี้ออใครจะมาเป็นใหญ่กว่าข้าในป่านี้ว่างั้น อ, อ้าวก็พาไป ก็ตามก้นกระต่ายไปกระต่ายก็พาพอไปถึงสันเขาตรงนั้นใช่ไหมไอ้ลูปราสีมันก็ก็ปรากฏหน้าผากระต่ายมันนั้นไงท่านรัวมัเริ่มจะอยู่ปรากฏมันราสีมันก็ไม่รู้เท่าทานใช่ไหมพอไปเห็นราสีตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่ามันูปรากฏหน้าผามันก็โจนเสรเต็มที่เลยเป็นยังไงโตกเหี่ยวตายโตกเหี่ยวตายหลงพ่อท้าก็สรุปว่าอันนี้คือการติดมิปเสนูห์เหมืนนนะสรุปเอาง่ายๆเลย ท่านบอกว่าเราไปเห็นความคิดเนี่ยสำคัญกว่าความรู้สึกตัวเออสรุปมาตรงนี้เลยนะตลอดเวลานี่เราท่องเที่ยวไปในความคิดความคิดล่อลอกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ตกเป็นท่าทั้งมันเห็นความคิดเป็นเรื่องสําคัญความคิดเมื่อก่อนความคิดร้อยบาทใช่ไหมก็ไม่กระติอรื้นพัฒนาไปเรื่อยๆความคิดนี้เป็นกำไรพันบาทห0 0 0นบาทแ 0,000 บาทล้านบาทเลยข้นขวาใหญ่เลยว่าผลประโยชน์ก้อนโตเท่าไหร่ก็ยิง โตเท่านั้นอเงาของเราใช่ไหมตามก็โตตามเราก็วิ่งตามตันหาของเราทุกวันเลยแล้วก็ไปวิ่งตามความอยากของเราเสร็จแล้วเราก็กโจรตะครุบมันว่าความอยากนั้นเป็นเราเราเป็นไงก็ทุกข์เลยใช่ไหมอันนั้นหมายถึงว่าไอ้ความอยากข้างนอกนะทีนี้มาเป็นความอยากข้างในบ้างแม้แต่ความคิดจินตนาการที่ว่าเป็นพิเศษเป็นความคิดที่ดีนะแต่ความคิดที่ดีมันก็คือเงาที่สวยงามเงาที่สวยงามก็ยิ่งเข้าไปเล่นกับเงาความคิดอันนั้น สมมุติความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเงาที่ไม่น่าสวยงาม เ, เงาที่ไม่น่ารักแต่ถ้าเป็นความคิดที่ดีเป็นเงาที่วิจิตรพิสดารหลงไหลในความคิดอันนั้นเป็นเงาขึ้นมาเขายิ่งกระโจนลงไปในที่สุดก็ตกหมายความสติมันตกเข้าไปอยู่ในความคิดนะกำลังของสติก็น้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าโลกคดีโลกหรือคดีธรรมในเรื่องของสมมุติหรือปรมาตา์ส่วนใหญ่เราก็ไปหลงเงาของความคิดถ้าหากคดีโลกเราไปหลงเงาของความคิดในฐานะเป็น ตัณหาเป็นไรายได้เป็นกําไรใช่ไหมเป็นขาดทุนแต่ในแง่ของปรมาจา์การที่เข้าไปหลงความคิดในฝ่ายดีเนี่ยมันก็เหมือนซับอันหนึ่งเราจะเห็นภาพเห็นจินตนาการอะไรที่ดีขึ้นมาอยากจะให้คนอื่นเป็ น, ยงงนอย่างง้นอย่างนี้อยากให้คนอื่นได้ดีอยาให้ตัวเองมีบุญกุศลเพิ่มขึ้นก็พยายามเพิ่มความอยากที่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นเงาอันหนึ่งซึ่งคนก็ไปหลงกันมากเั้นคนหลงในความคิดที่ดีกับไม่ดีเนี่ย หลงในความคิดไม่ดีเนี่ยมันทุกเร็วใช่ไหมมันเห็นทุกเรเร็ยวเดือดร้อนแต่หลงในความคิดที่ดีและอุดมการณ์หรืออะไรดีๆเนี่ยเป็นไงเออมันยิ่งหลงยิ่งสนุกยิ่งคิดยิ่งสนุกยิ่งวาดโครงการเป็นอุดมการเป็นอะไรออกมาคนก็ไปหลงอันนั้นไปหลงแล้วก็ทุกเพราะความดีคนทุกวันนี้ไม่ได้ทุกเพราะความชั่วนะทุกเพราะความดีเพราะความดีที่เราไปติดมันมันกลายเป็นความชั่วได้แกงที่กินอร่อยหน้าวันนี้เนี่ยเกลี่ว่าอีกสักเวันไปกินครั้งหนึ่งเป็นไง แกงที่ดีในวันนี้แต่วันต่อไปแกงนี้เป็นไงมันชั่วแล้วเพราะอะไรมันจึงชั่วแกงทั้งนี้เพราะกดของอะไรกฎของอนิจจ์ใช่ไหมแกงทั้งนี้จากแกงที่สุดสดร้อนรกลายมาเป็นแกงบูดแกงเน่าความคิดเราเหมือนกันความคิดดีๆๆความคิดที่สุดสุดร้อนๆ้อนพอมันผ่านไปหลายนาทีหลายชั่วโมงเขาก็เป็นความคิดที่จากความคิดที่เป็นกุศลก็เป็นอกุศลจากความคิดที่เป็นบุญก็กลายเป็น เป็นบาปไปนี่พ่อกฎของกันใจรักที่มันเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งนามธรรมกา็เปลี่ยนไ ป, ไปตามนี้สังเกตง่ายๆวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนมาถึงตัวเนี้ถามโยมว่าโยมคิดกี่เรื่องแล้วเนี่ยมีกี่ความคิดผ่านเข้ามาเนี่ยอันเขาถูกไม่สามารถจะนับได้เยอะเกินไปนะอันเขาถึงตอนแล้วตัวนี้คือนับไม่ได้เลยอันนี้แค่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วที่นี่เป็นคืนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็หลายปีเท่าอายุของเราอะ่ะมันจะขนาดไหน ท่านจึงเรียกว่าอสงไขยเคยไดียินคำนี้ใช่ไหมคนที่จะบรรลุทําได้ต้องผ่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาเท่าไหร่นะสามอสงไขยกับไม่เทียดไม่ใช่เสียสงไขยนะสามอสงไขยกับหมายของว่าเราคิดในเรื่องพอใจสิ่งที่เราพอใจก็นับไม่ได้เราคิดในสิ่งที่เราไม่พอใจก็นับไม่ได้มันเยอะเกินไปในคิดในสิ่งที่เราไม่รู้ก็อีกอสงไขยหนึ่งสามอสงไขยแล้วก็ แสนกลับมันเพี้ยนนะคำที่มันต่อมานานใช่ไหมความโกรของนิจจ์บอกว่าอสอสงไขยแสนมหากลับเนี่ยแต่ความจรงิงมีถูกด้วยสามอสองไขยแล้วก็สามกลับไม่ใช่สี่อสองไขยแสนกลับมันเป็นสามมอใส่สามกลับหมายความว่าจิตของเรามันไปกับความโลภความโกรธความหล ง, งจนนับไม่ได้ก็กลับมาถึงสามนั่นแหละกลับความโลภคกามหลงให้เป็นอะไรเป็นศีลสมาธิและปัญญา และบาลมีคนนั้นจะเต็มหมายถึงอย่างนี้หมายถึงกลับความโลภให้เป็นศีนกลก ล, กลับความโกรธให้เป็นสมาธิกลับความหลงให้เป็นปัญญาสามอาสงไขาสามกลับหมายความว่าสามเราคิดในเรื่องความโลภก็นับไม่ถ้วนแต่ละวันเราโลภเราอยากได้เราคิดขี้คิดแต่เรื่องนั้นย้ำคิดย้ำทำําจนกระทั่งว่าจิตใจเราเสียไปเขามีสามกลับคือกลับทั้งกายวาจาใจกลับด้วยศีลสมาธิปัญญา ก็กลับมาบรารมีก็เต็มไม่ต้องไปบําเพ็ญจนกี่หมืน่นกี่แสนชาติสาววตักกับวิวัตกับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ทําจนกระทั่งว่ามันนับไม่ได้มือนกันจเจริญสติจนนับไม่ได้จเจริญตัวรูจ้จนนับไม่ได้กับสามกลับกลับให้เป็นอสงไขหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องแถมจบแค่นี้นอกเรื่องนี้นะก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะมึงถึงเวลาชันข้าวเลยนเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรสงสัยในภาคเช้าภาคบ่ายเราจะต้องปฏิบัติกันแนละ้วเนาะ